มีตานอกแต่ยังมิฉาทิฐิในความเป็นกายส่วนประเด็นที่สองนั้นหมายถึงผู้พ้นมิฉาทิฐิที่ไม่ใช่หลับตาเข้าไปปฏิบัติได้นิพพานในพวังแต่ลืมตาปฏิบัติแล้วประกอบด้วยมรรคองเจตอง ค, องค์คือมีกรรมทุกอย่างทั้งกรรมที่เป็นอาชีพอาชีวะ กรรมทั้งหมดทั้งหลายกรรมมันตะกรรมที่เป็นคำพูดวาจากรรมที่เป็นการคิดนึกสังกับปะแล้วเพื่อสร้างเอกกาตาจิตด้วยการปฏิบัติมารเกตองค์อยู่ชื่อว่าสัมมาสมาธิตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ2 5 2ถึงขั้นหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ใช่สมาธิที่หลับตาเข้าไปอยู่แต่ภายในแล้วถูกต้องขั้นหนึ่งถือว่าส ม, มาธิฏฐิขั้นหนึ่งคือต้องทําสมาธิในขณะปฏิบัติด้วยองค์มรจิตองค์ดังที่กล่าวก็ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วสามารถปฏิบัติมีภายนอกร่วมด้วยเป็นปัจจุบันแล้ว ทิฏฐธรรมที่หมายถึงปัจจุบันนั้นถูกต้องแล้วไม่ได้หลับตาเข้าไปจมอยู่ในพระวงังมีแต่อดีตกับอนาคตหรือหลงผิดจมอยู่กับอนาคตที่เป็นภาวะลมๆแ้งๆในสิ่งที่ไม่มียังไม่เกิดมีแต่ความเพ้อฝันอันคืออนาคตนั้นแล้ว แต่ส่วนทิฏฐธรรมในประเด็นที่หมายถึงเห็นปัสติโดยมีภาวะสัมผัสทั้งภายนอกด้วยภายในด้วยในส่วนนี้ยังมิฉาทิฏฐิอยู่กล่าวคือยังเข้าใจสัมมาทิฏฐิสิบยังไม่ได้เป็นต้นจึงปฏิบททัติทั้งฐานทั้งศีล ทั้งกรรมต่างๆล้วนไม่มีมรรคผลเป็นโรคุตรธรรมหรื อ, อยังทาใจในใจมณะสิกโรติไม่เป็นยังไม่รู้จักว่ากายเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรธรรมะเป็นอย่างไรชัดเจนถ่องแท้แยกแยะ ก, กายกับจิตอย่างไม่เป็น ยังแยกกายแยกกิจยังไม่เป็นจึงยังไม่สัมมาทิฏฐิบริบูรณ์เพียงแค่สัมมาทิฏฐิได้ส่วนหนึ่งแต่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่อีกส่วนหนึ่งคนไทยส่วนมากจะยังยึดมั่นอุปาทิยติว่ากายนั้นคือร่างกายคือยึดเอาเฉพาะร่างเท่านั้นหมายเอาส่วนเนื้อหนังภายนอก ไม่ได้หมายเอาส่วนที่เป็นนามธรรมร่วมอยู่ในคำว่ากายด้วยเลยชานี้แลคือผู้ยังมิฉาทิธฐิในคำว่ากายยังแยกกายแยกกิจไม่เป็นยังเห็นความเป็นกายแค่สรีระแค่เฉพาะเนื้อหนังบางสายังไม่เห็นกายเป็นธรรมะสองเทเวธรร ม, มายังเห็นเป็นธรรมะหนึ่งเท่านั้น เมื่อที่ที่เห็นกายเป็นธรรมะสองทเเธรรมาไม่ได้ก็หมดสิทธิธรรมเวทนาในเวทนาให้เป็นธรรมะหนึ่งในธรรมะสองนั่นแหละได้แน่นอนนั่นคือจัดการหรือปรุงแต่งเวทนาของตนมณะสิกโรติหรืออภิสังขารทวเยนะเวทนายะเอกสโมสารนาพวันติไม่ได้แน่นอน